สอง็แต่ยังมีนัยสำคัญละเอียดลึกซึ้งยิ่งในเรื่องบุญเพราะกรรมนั้นเป็นอันธรรมการไม่ทาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นของจริงประกอบไปด้วยกายและใจผู้ทาภายนอกด้วยเจตนาเมื่อเจตนามโนสัญญเจตนา ของผู้ทำงานมีการไม่เอาอะไรมาให้จนแล้วและเริ่มตั้งแต่ภายนอกเราก็มีการไม่เอาอย่างแท้จริงก็นี่แหละคือมีเจตนาตามที่รู้มาว่าต้องทำกายและใจคือทํทาธรรมะสองให้รวมลงเป็นธรรมะหนึ่งคือกายภายนอกก็ให้ ใจก็ต้องให้ด้วยตรงกันเป็นหนึ่งเดียวสำหรับคนไม่เคยมีสัมมาทิฏฐิที่ให้ทำใจในใจนี้มาก่อนเลยก็ไม่คิดจะทำก็ไม่มีเจตนาจะทำสามไม่รู้หรือรู้ผิดก็ทำใจในใจผิดผู้สัมมาทิฏฐิมาแล้ว และมีการตั้งใจแล้วชำระกรรมที่แท้เป็นการกระทำภายนอกที่มีกริยาอาการใจที่เป็นเจตนาไม่เอาหรือเสียสละออกไปจริงแต่ทำได้เพียงแค่รูปภายนอกเท่านั้นยังมีส่วนภายในใจเรายังทำไม่ได้บริบูรณ์อยู่ ซึ่งจะลดได้แค่ใดก็ตรวจ ด, ดูความจริงของตนของตนตามที่มันสละมันละมันลดได้หรือยังมีอยู่เช่นยังอยากได้ตอบแทนยังหวงเห็นยังอาไลาอาวรนแต่ไม่เอาแค่ภายนอกใจก็มีผลสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว ตามเจตนาแท้ที่ตรงตามการละลดตัวตนออกจากใจก็เกิดบุญคือการชำระแท้จริงส่วนหนึ่งแท้มาแต่จิตเป็นต้นทางแล้วทั้งภายในที่สอดคล้องกับกรรมภายนอกด้วยเพียงแต่มันยังทำไม่ได้อย่างเป็นจริงตามที่รู้ละเอียดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ที่มิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจเพียงว่าให้สิ่งของภายนอกนี้เท่านั้นแหละได้บุญแล้วส่วนใจในภายในนั้นตนเองไม่รู้เลยว่าต้องมีการทำใจในใจมนาสิการให้มีผลลดและให้ได้นี่แหละเป็นสำคัญ